238วิประิากคือไม่ตรงกับความจริงในจิตในธรรมเช่นคนทำกรรมที่ดำคุณก็ต้องได้ดำเป็นผลจากกรรมที่คุณทำคุณก็ไม่ได้ขาวใช่ไหมตามสัจจะแต่ถ้าคุณไปมีความรู้สึกว่าได้ขาวก็เป็นสัญญาที่วิปลาสของคุณโดยแท้ ซึ่งสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสนั้นเป็นวิปลาสสามในจิตที่คนโมหะอวิชชาเป็นได้ถ้ากำดำคือชั่วคือทุกข์ขาวก็คือดีคือสุขเมื่อคุณทำชั่วคุณก็ต้องได้ดำได้ทุกข์คุณทำชั่วคุณจะไปได้ขาวได้สุขมันก็ไม่ใช่สัจจะ เป็นอะสัจจะแน่นอนใช่ไหมฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนไปหลงผิดโมหะสัจจะโมหะในสัจจะเองคือไปเกิดความรู้สึกกับความชั่วว่าสุขว่าดีหลงผิดว่าชั่วคือสุขคือดีแล้วคนหลงผิดหรือคนโมหะผู้นี้ก็ได้ความรู้สึกสุขที่เทศ สุขาริกานั้นๆเป็นความรู้สึกใสก่จิตซึ่งเป็นพลังงานทางกิตที่สำคัญผิดของสัญญาสัญญาวิปราสเป็นข้อหนึ่งในวิปราสสดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้วโดยเฉพาะวิปราสในของที่เป็นทุกว่าเป็นสุขทุกเขจะสุขสัญญิโน วิปลาสในภาวะทุกว่าเป็นสุขนี้เป็นหนึ่งในธรรมวิปลาสสีวิปลาสสีนั้นตามเนื้อหาของธรรมะก็จะดังนี้หนึ่งวิปลาสในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงอนิจเจนิจจสัญญโน2วิปลาสในของที่เป็นทุกว่าเป็นสุข ทุกเขจะสุขสรรยโน 3. วิปลาสในความไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนอนัตติจะอัตตินิ 4. วิปลาสในสิ่งที่ไม่น่าพึงใจว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงใจ